ปัญยาปัญญายะสังขยาวาระสุทธนัย32สองนเหตุปัจจัยมีสามวาระน่ะอรมณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสิบดวาระนอนันตระปัจจัยมีห้าวาระนสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนปัจฉาชาตตปัจจัยมี17วาระนอาศัยวณปัจจัยมี17วาระนกรรมะปัจจัยมีเจวาระนวิปากะปัจจัยมี17วาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัย <miles> มีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยมีสิบอ็ดวาระโนนัธิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยจกสปัจจญานุโลมปัจจนิยะสามสิบสามณอรมณปัจจัยกะเพตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีสิบเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระ ณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยเขเผตุปัจจัยมี13าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยละถึงมี17เจวาระณอาศัยวณปัจจัยมี17วาระณกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากะปัจจัยมี17วาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสิบเอดวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบ4ปัจญยปัจญิยานุโลมสาสิสอารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจใจละถึงมีสามวาระ สมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตระปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระอุปานิสียปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวัปัจจัยมีสามวาระธรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารัปปัจจัยมีสามวาระ อินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยละถึงมีสองวาระสัมพยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธ <laughs> ิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ ปัจมียานุโลมจบปฏิจวาระจบสาชาตาวาระเหมือนปฏิจวาระเก้าทัศเนนะปหาตพะเหตุกระติกะสามปัจยวาระ หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสาสหสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาระทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามีสามวาระ ปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมีหนึ่งวาระปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาระขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามทำหัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักทำหัตถเยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามประยุติขันธ์ทำโมหะที่จะหอโรคด้วยวิจิกิจชาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสาม ทำสภาวธรรมที่มีเหต Francis ุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำหัตถยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปยุติขันธ์ทำโมหะที่สหโรคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื่องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามให้เป็นปัจ <Week> จัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำหัตถเยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานนรูปทำมหาภูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปัจยุติขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปทำโมหะที่สหรรคด้วยวิจิกิจฉา ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป รำ ม, มหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปัจจัยขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรโคด้วยอุจทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 36. สาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคาคและทำหัถยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันสามทำขันหนึ่งที่สะหรโกด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมทีท่ม well ีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสาม ทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและทำมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เสรโคด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคและอาศัยหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสองทำขันสองและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานนรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่สหรโครด้วิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสาม ทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจใจสามสิบเสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระ ปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณปัจจัยในปฏิจจวาระทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาระ38สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาม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 ขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำหัตถยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจจัยได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำหัตถยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตะขัน ทำโมหะที่สหรรคด้วยวิจิกิจชาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำอัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปยุตตะขันทำโมหะที่สหรรคด้วยอุทจจะ ให้เป็นปัจจ no like ัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะนะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโคตดุวิจิกิจฉาและโมหะธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมานะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและธรรมัทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองขันธ์สามทำขันธ์หนึ่ง ที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบืองบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคบืองบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะะปัจจัยได้แก่โมหะ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 ขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหรูปด้วยิจิกิชาและทำหาทายวัถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยขันสองและหาทยวัถุสี่สสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและทำอธยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองขันสามทำขันหนึ่งที่สรรคตดูอุทัจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนาสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคดด้วยอุทจจะทำขันที่จะหรคดด้วยอุทัจจะและทำหาเทียวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาม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 สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องสส unexpected. ประหารด้วยโสดาปติมัคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีสามวาระทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคบืงบนสาม ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสามทำอภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำอหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบืงบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสามทำอหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทมสภาวะธรรมที่มีเหตุ <shocked> ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่คันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทหทยวัตถุ baik, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตะสมุฐารูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรม ท, ท, ท an, mm ี่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตจะสมุทฐานในรูป ทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสี่สิบสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สาอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น อาศัยขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบึ้งบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขันสองจิตตสมุทานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่ง ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาและรรทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมีสามวาระเหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมร์เพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัย43สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัย ได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและจิตตสโมฐานรูปทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสโมฐานรูป ทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่สะหระรโค ด, ด้วยวิจิกิชฌาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามมีสามวาระย่อเหมือนกับโบดว่าโสดาปฏิมักสี่สิบสี่ สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามธรรมสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปธรรมขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานนรูป ทำโมหาที่สหรโคดุวิจิกิชาและที่สหรโคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสำหรับเหล่าอสัญญาสัตพรมจากโูวิญญาณทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กาย ว, วิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหาชาติาปัจจัยได้แก่ weight. ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ทำอหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปัจจุตขันทำโมหะที่โสโครคด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำอหไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 รำอภัยวัตถุหตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปทำโมหะที่สหอรโคด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่สหอรโคดุวิจิกิจฉาและโมหะธรำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้มักเบื้อง บ, งบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสโมฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปัจจัยขันธ์และจิตตสโมฐานรูป ทมโมหะที่สรโรคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่สโสโรคด้วยอุทจจะและโมห ะ, รรมะทำมัทยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น45สภาวธรรมที่มีเห ต, ตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักทำสภาวธรรมที่มีเห ต, ตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและทำอัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ม <True. S 3> ีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและอาศัยหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและทมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที <said> ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปาณิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาใจวะณปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิบากปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัย เพราะสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัย่สเจสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองขันทำอัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย โมหะและจิตตสมุทานรูปทำขันที่สอรโคตวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยจิตตสมุทานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม ทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยสโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปทำขันหนึ่ง ท, ทีท่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยจิตตสมุทานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัย ขันสามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ซอรโคตวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันและโมหะทมอหยวาตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, น, 2, น, เ, น, จจ เ, นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตสมุทฐานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม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 ขันสามและจิตตะสมุทารูปทำขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทมขันสองขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตะสมุทารูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตะสมุทารูปทำโมหะที่สหรคตดวิจิกิจฉา และที่โสหโรโคตอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตจสมถทานรูปทมโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาทัยวัตุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจัยขันทำอทัยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจัยหาทยวัตุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจัจ มหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจ้กผู้วิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำอัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักทรมัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุตตะปัจจัยสามปยุตตะขันทำโมหะที่ซอรากด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปยุตตะขันทรอัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม ทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจจขนันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสัมปยุจัขันธ์ทำโมหะที่สหรควดด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น จำปัจจุตขันธ์ทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตต์ปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตต์ปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสามปยุตตะขันธ so ์และจิตตสมุทฐานรูปทำโมหะที่สหรคตดุวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธธรรมอธิวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตสโมทานรูปทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยขันธ์ที่จหอรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและโมหะธรรมอธิวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่จหรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและโมหะธรรมอัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่คันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกับปทว่าโสดาปฏิมักสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ทมส monks. ภาวธรรมที่มีเหตุ ต, wow. ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุตต์ปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและทำหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองขันธ์สาทำอทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุตตปัจจัย ขันสามทำขันหนึ่งที่สหรโคตด้วยจิกิจฉาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปทำขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักและทำมาหาภูตรูปให้เป็นปั จ, จัยเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจัจจิตตสมุทานรูปทำขันที่สอรโรค ด, ด้วยวิจิกิชาและทำโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตส ม, มุฐารูป ทำขันและโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยโมหะที่สหรโคดุวิจิกิจฉาทำขันที่สรโคดุวิจิกิจฉาและทำภัทยายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที <impact> ่สรโคดุว <Yes. S 2> ิจิกิจฉาทำภัทยยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก และมั ก, กเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมั ก, กเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมั ก, กและธรรมะทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองจิตตสโมฐานรูปทำขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมั ก, ก และรำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมอธัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตสมุฐานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยขันสามและจิตตสมุฐานรูปทำขันหนึ่งที่โสรคตวิจิกิฉะธรรมอธัยวัตถุและโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขัน ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยจิตตสมุฐานรูปทำขันและโมหะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหัโรคด้วิจิกิจชาและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันสามและโมหะธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย ธรรมสภาวะธรรมที่มีเหต Ahora, Julia, heights, ุต so ้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามมีสามวาระเหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมักอธิปัจจัยเป็นต้นห้าสิบสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักธรรมสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปัจัยเพราะนติปัจัจเพราะวิคตะปัจัยเพราะอวิคตะปัจัย